สิกขาบทวิพัง659คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีที่บายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เราว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่คือภิกษุรู้เองคนเราอื่นบอกภิกษุนั้นหรือคนนั้นบอกเธอ ที่ชื่อว่าเป็นของจะถวายสง์ได้แก่เป็นของที่เขาถวายหรือบริจาคแล้วแก่สงที่ชื่อว่าลาบได้แก่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานาป จ, จัยเภสัชบริขารโดยที่สุดกระทั่งก้อนจุรณะไม้ชัมระฟันหรือได้ชายผ้าที่ชื่อว่าน้องไวคือเขาเปล่งวาจาว่าเราจะถวายจะทำพิสูนอมากทุกคนต้องปฏิบัติทุกคนเพราะพยายามเป็นนิสกีเพราะได้มา คือเป็นของจำต้องสละแก่สมแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละรลาภที่เป็นนิสขีอย่างนี้